คณะสิทธ์จึงปรึกษากันและกราบนิมนต์ท่านไปที่ไรชาเมืองปุณจะประเทศอินโดนีเซียขณะที่พักอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียญาติโยมคณะสัทธาจากประเทศออสเตรเลียนิมนต์ท่านไปร่วมงานกระถินของรัฐบาลไทยที่วัดพุทธรังสีนะครซิดนีย์ร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่เช่นพระธรรมไตโลกาจารย์พระธรรมบัณฑิตท่านไปพักอยู่ได้หนึ่งเดือนก็สั่งลูกศิษย์ให้โทรไปที่อเมริกาเนื่องจากในปีพุทธศักราช2525 ท่านเคยเดินทางไปเผยแพ่ธรรมและมีคนที่ต้องการถวายที่ดินเมื่อติดต่อไปทางอเมริกาตอบว่าตอนนี้หนาวมากแต่ถ้าหลวงปู่จะไปอยู่เขาจะยกบ้านที่อเมริกาให้อยู่จำพรรษาท่านจึงว่าไปอยู่บ้านโยมนะไม่ไปดอกอยากจะไปอยู่ป่าท่านจึงบอกให้พระอาจารย์มานะซึ่งเป็นสิทธิติดตามติดต่อไปที่คุณยูริยันติเมืองกุณจะประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน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 ของชาวอินโดเป็นประวัติศาสตร์ของโลกออกพรรษาแล้วธาตุขันของท่านที่เคยหมักหมมเมื่อยล้าต่อการงานมานานท่านกลับกระปรี้กระเปล่าผ่องใสขึ้นท่านจึงปรารบว่าเอาละนะสบายดีแล้วข่าวนี้จะไปไหนก็ไปได้หลังจากนั้นท่านและคณะสิทธ์จึงเดินทางกลับประเทศไทยหลวงปู่ีมหาวีโรท่านได้เล่าเรื่องพระชาวอินโดนีเซียภาวนาดีให้ฟังว่าพระชาวอินโดรูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ แกไปอยู่เมืองเละซีสอินโดนีเซียเท่เจ๋งนะใจใหญ่ใจกว้างแกถามปัญหาพวกพระสมเด็จบางองค์ก็แจ้ปัญหาไม่ถูกจุดจิงคลายศรัทธาไปบ้างเกิดถือที่ถิมานะว่าตัวเองเก่งสมเด็จพระยาณสังวรก็เลยส่งมาหาเราก็มาอบรมในนามพระสังคาธิการเราจึงแนะนำให้ว่าความรู้ความเห็นทางนั้นมันดีอยู่หรอกแต่ว่ามีความรู้เหล่านี้มันไม่ได้ส่งเสริมจิตใจของเราให้สูงขึ้นหนักเข้า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 พิจารณาค้นหาความจริงด้วยสติและปัญญาดับบาปอากุศลที่จะเกิดทางทาวารทั้งหกดังที่กล่าวมาแล้วเปรียบเหมือนเราจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันคือจับงูจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งแล้วจึงนําไปผูกไว้กับเสาเขื่อนสัตว์เหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวหากินต่างกัน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 กายข้าตาสติส่วนจิตที่ส่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโพธะและธรรมารม์ก็เปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายถ้าเราพิจารณากายอบรมจิตกระทําให้มากๆเพียรพินิษพิจารณาโดยรอบคอบทําโดยสม่ําเสมอความรู้แจ้งแทงตลอดกายนี้ก็จะปรากฏส่วนความรู้ความเห็นอื่นๆ อ, อันเป็นเรื่องของนิมิตก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะเราค้นพบความจริงแล้วเมื่อพระชาวอินโด